112. ่คำว่าตรัสรู้คืออะไรฉะไหนจึงเรียกว่าตรัสรู้ดังนั้นตอนนี้ปัญญาที่เริ่มต้นแท้ๆเรียกว่าสัมมาทิฏฐิยังไม่ปรากฏเลยมีแต่เงาอยู่ลึกๆในใจของพระองค์เองเสียอีกและแม้แค่มักอันเป็นสัมมาอริยมัก แห่งพุทธธรรมยังไม่ปรากฏนาที่ใดก็เจ้าชายสิทธรรทัตถะเองที่เป็นเจ้าของพระสัมมาสัมโพธิญาณเองแท้ๆก็ยังไม่รู้พระองค์เองยังระลุกรู้ถึงพุทธธรรมขึ้นมาประกาศแล้วจะมีมรรควิธีที่สัมมาทิฐิแต่ที่ไหน เมื่อพระองค์ทรงระลึกพุทธธรรมจากอดีตของพระองค์ได้แล้วว่าพุทธธรรมเป็นเช่นนี้เช่นนี้ในคืนึ้น15คห้าคเดือนหกนั้นแล้วจึงได้นำมาตรัสเป็นพระธรรมคำสอนบทแรกในวันขึ้น15คห้าคเดือน8แก่ปัญจวัคคีตามพุทธธรรมที่พระองค์ทรงรู้เอง คำตรัสของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาที่ตรัสตามความรู้อันยิ่งใหญ่ที่เป็นพุทธธรรมยังเรียกกันว่าคำตรัสรู้คือพระองค์ต้องตรัสจากความจริงที่พระองค์ทรงรู้ของพระองค์เองออกมาก่อนจากความรู้อันวิเศษนั้นที่ไม่มีใครมีได้นอกจากพระพุทธเจ้าเอง ความรู้ชนิดนี้จึงมีในโลกตามคาตรัสของพระพุทธเจ้าคำตรัสทุกคาเพื่อให้มนุษย์รู้จึงเป็นความรู้ของพระองค์เองที่ตรัสประกาศความรู้แห่งพุทธธรรมออกมาให้แก่โลกเรียกสั้นๆว่าตรัสรู้หมายถึงความรู้ที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีคำตรัสที่เป็นพระธรรม คำสอนขึ้นมาให้คนในโลกรู้ได้คำว่าตรัสรู้จึงมาจากความรู้อันยิ่งใหญ่นี้เองผู้รู้ขั้นบรรลุพุทธธรรมจึงเป็นผู้มีความรู้ที่เรียกว่าตรัสรู้